FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีอ m u t t n e w ยิพิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนีเ้ 89.5 MHz ม สวัสดีครับุผู้ฟังครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะกับ RMTT u News ค่ะ 89.5 พิบก้จุดข่าวเด่นค่ะวันนี้อยู่กับฟ้าลักษณะนะคะแล้วก็พี่เดียวธีระเดชค่ะใช่ครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาทุ่มหนึ่งถึงประมาณทุ่มครึ่งนะฮะก่อนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีหลากหลายประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันค่ะก็ะเป็นการอัปเดตน้องข่าวสารสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเออคุณฟ้าเนี่ไปค้นหาน เรื่องราวจะเป็นเรื่องใกล้ตัวดีไหมการลงทุนหรือว่าราคาบ่างราคาบ้านการกินการอยู่ต่างๆเนาะก็รวบรวมมาให้กันในเวลาสั้นๆเาประมาณคร่งชั่วโมงมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็มาเริ่มต้นเลยค่ะวันนี้<ม>เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะราคาบ้า น, นทั่วโลกเลยนะคะ<ม>ก็มีการจัดอันดับนะคะของ Global Living ประจาปีฉบับที่ห้านะคะของ CBRE เนี่ย เขาจัดอันดับมาค่ะเป็น10อันดับราคาบ้านที่แพงที่สุดในโลกนะคะประจำปี2019อันดับแรกเลยคงไม่พ้นนะคะฮ่องกงของเรานั่นเองค่ะราคาเฉลี่ยนะอยู่ที่1นึ่0ล้านสอนส่าล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยพี่รู้ไหมเท่าไหร่<ฮ>ถ้าจะมีบ้านสักทีต้องมีถึง3 7ล้านค่ะ37ล้านแสนกว่าบาทอ่า แล้วก็ลำดับที่สองนะคะก็ตามมาด้วยสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ลำดับที่3นะคะก็คือเซี่ยงไฮ้ค่ะสิงคโปร์กับเซี่ยงไฮนะ้เนี่ยอยู่ที่ 26.47 ล้านบาท อ, อันนี้นะคะ3อันดับต้นๆก็เป็นไม่ใกล้ไม่ไก ล, ไไกลจากออบ้านเราเลยนะกลุงกที่มีเหตุการณ์วัฒนเดือดกันอยู่นี่ใช่ไหมใช่มันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะ เ, ออคเศรษฐกิจการเมืองที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เนาะ บ้านแพงมาก 37.44 ล้านอะ่ะอันนี้จะเป็นเงินไทยนะค ะ, ะส่วน<ม>อันดับที่4นะเป็นแวนคูเวอร์ค่ะำดับที่5เป็นซันเจิน้นไม่น่าเชื่อนะคะซัน เ, เจอ้นอยู่ที่ 20.59 ล้านนะคะแล้วก็ลำดับที่6กะคะกับ7เป็นที่สหรัฐอเมริกานะคะก็คือลอสแอ g เจลิสกับนิวยอร์คค่ะอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทนะคะเฮ้ยสหรัฐก็ ยังอยู่อันดับที่ต่ำกว่าฮ่งองกงใช่6กเร็ดนะคะ 8, 8, 8นี่อังกฤษนะคะลอนดอนรงลอนดอนของเรานะคะอยู่ที่19ล้านอันดับที่9ปักกิ่งก็19ล้านเหมือนกันนะคะแล้วก็ลาดับที่10เป็นปารีสนะคะฝรั่งเศสอยู่ที่18 9 0ุดล้านบาทค่ะโอ้โ<ม>นี่จะต้องทำงานได้เงินเดือนขนาดไหนต้องซื้อบ้านราคาได้หลักแบบนั้นได้บ้างในเมืองไทยนี่ก็จะเห็นม่เหมือนกันมันก็เป็นบ้าน ในระดับสูงที่อยู่นะราคาที่เหสหาบอล้านนีเ่เคยเห็นมิันแพ ง, นงเนาอ้โหทุกวันนี้อยู่อยู่หลักเลขตัวเดียวอะคะ <laughs> อ่ะแถมยังผอ่อนีกตั้งหากแต่ว่าก็พอใจแล้วนะพอใจแล้วก็มีความสุขเนาะบ้านเราแล้วเราก็อออโอเคก็นั่นละคะ่ะก็เผื่อใครที่มีแลนที่จะไปลงทุนอะไ ร, รยังไงเนาะก็ศึกษา ตรงนี้ไหวก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะมันค่อนข้างสูงอย่างที่ฮ่องกงที่มีปัญหากันก็เขาก็จะอยู่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ไหมคะหือว่าคอนโดตึกแถวห้องเช่าไปซึ่งราคาเช่าเนี่ยก็แพงมากเหมือนกันอเคยเห็นภาพบหมนุ่ยฟ้าภาพที่มีช่างภาพแนวสแลกดีเนี่ยก็เป็นคนที่อาศัยที่ฮ่องกงแบบเป็นอยู่ในคอนโดล็อกล็อกอะเงยความแอรอัดคนเล็กมากนะอาศัยแบบเล็กจริงจริะ เราเคยไปพักที่อันนี้ไต้หวันนะคะไทเปเราก็จองจองจะผ่านเว็บไซต์ไปเนี้ยเราก็เห็นมันห้องมันก็น่าจะโอเคอปรากฏว่าเข้าไปจริงๆนะคะเชื่อไหมว่ากระเป๋าเดินทางของเราอะแค่จะกางอยงางๆไม่ได้เลยพี่เราต้องยกกระเป๋าเดินทางขึ้นมาบนเตียงแล้วก็กางอพอเราจะนอนเราก็เอากระเป๋าอะลงซึ่งต้องปิดให้เรียบร้อยนะไม่งั้นเดินไม่ได้คือแบบไม่มีที่เลยอันนี่คือไต้หวันไต้หวนันที่เราไปมาคงต้องจับตาดูอยู่ว่า หลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยราคาจะจะลดควบลงไหมเพราะว่าการชุมนุมก็ยังไม่หมดมยังมีอย่างต่อนเนื่องมีเหตุประทัดการยังมีการเรียกร้องให้ผู้นำลาออกเรียกร้องประชาธิปไตยแลก็มีกา ร, ม, การมีบาดเจ็บแต่ชีวิตแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเศรษฐกิจก็เห็นนตอนนี้เนี่ยแย่ลงนะฮะนักลงทุนก็ไม่มั่นใจนะว่าะจะยุติเชื้อไฟแบบนี้ได้นานแค่ไห น, นครับโอเ ค, ไ ป, คไปที่ ประเด็นต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของต่างชาติเหมือนกันนะคะ ค, คือองค์การนาซ a นั่นเองนะคะได้มีการจัดเวทีการประชุมสภามนุษย์อวกาศนานาชาติค่ะครั้งที่70นะคะที่กรุงวอชิงตันดีซีในสหรัฐอเมริกาค่ะนมีนายจิมบอยเดนสตีนะคะผู้บริหารขององค์การนาซ a เนี่ยได้ระบุนะคะว่าเขาเนี่ยจะเตรียมเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านอวกาศจากนานาชาตินะคะจากทั่วโลกเลยเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมภารกิจ ในการส่งมนุษย์อวกาศเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์ค่ะซึ่งเขาแลนไหมว่าจะเป็นภายในปี 2,570 นี้ซึ่งอีก8ปีนี้เองนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีกำหนดส่งยานโ r e ร n น, นะคะแล้วก็สถานีสถานีอวกาศขนาดเล็กเกตเว a y นะคะขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ก่อนค่ะแล้วก็จะตามไปด้วยการส่งยานอาวกาศ a r t e m ท s ิ i 3นะคะพระ้อมโอกาส พร้อมอวกาศเนี่ยขึ้นไปในดวงจันทร์ภายในปี2567นี้ค่ะก็คือบอกคร่าวๆก็คือในอนาคตเนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขาเริ่มที่จะดึงผู้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านอาวกาศจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมกับเขาด้วยกับองค์การนาซาด้วยนะคะซึ่งก่อนหนนีน้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็อาจจะได้ยินข่าวกันที่มีการส่งนักบินอวกาศนาซาผู้หญิง oh. เป็นทีมหญิงล้วนเลยนะคะเข้าไปเดินอวกาศ เป็นชุดแรกนะคะซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับเออแบบเท่ผู้หญิงก็ทำได้นะจะมีโดนัททัพเนี่ยเขาก็ได้ไหลสดนะคะไหลสดคอเข้าไปแล้วก็ชื่นชมด้วยมีคลิปออกมาก็คุณผู้ฟังรองไปหาดูกันได้ก็เป็นภาพที่หาได้ดูได้ยากนะคะเป็นถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ได้เลยทีเดียวนะคะเห็นทุกฝ้ายพูดก่อนอยู่แล้วเนี่ยว่า ผู้นิเชิงชื่นชมนะสำหรับมนุษย์อวกาศผู้หญิงนะเดี๋ยวพาไปพี่เดียวดูนะเป็นครืังใช่ใครที่ชอบเนี่ยหนังอวกาศอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะคะคือเป็นผู้หญิงนะแต่ตรงนี้ก็ชอบเทไหมพี่เดียวเนี่ยเทมากลองลองเซิร์ชดูนะคะคุณผู้ฟังชื่อคริสตินาโคชนะคะแล้วก็เจสิก้าเมียค่ะเป็นนักบินอวกาศหญิงของนาซ a เขาเขาก็บอกนะคะว่าคือ เขาพูดอย่างถ่อมตัวนะเพราะว่าคนก็ชื่นชมเขามากๆเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องการได้รับคํายกย่องที่มากเกินไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนักบินอวกาศหญิงออกมาเดินทางในวงอวกาศก่อนหน้าพวกเราแล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงถึงสองคนแล้วออกมาเดินทางในเวลาเดียวกันค่ะเขาก็เลยบอกเล่าให้ฟังอย่างถ่อมตัวแหละ ว, ว่าเออไม่ต้อง ไม่ต้องมาชื่นชมเขาว่าขนาดนั้นหรอกอเพราะว่าก่อนนั้นนี้มันก็เคยมีแล้วซึ่งนัก บ, บินอวกาศหญิงคนนี้เป็นคนที่15นะคะที่ที่มาเดินทางนในในอวกาศแต่ถ้าเกิดลองคิดดูนะเบื้องหลังของเขานี่ก็คงไม่ง่ายเนาะโอ้ควจะไปถึงจุดนะั้นเนาะเราเเห็นเห็นรุ่นพี่บ้างเห็นเพื่อนเนี่ยที่ว่าเป็นนักสิทธิการบินเป็นผู้หญิงเลี้ยนหนักเหมือนกัน โดนอะไรแบบปวดโคดเหมือนกันอะไรเงีเออ้ยว่าเบื้องหลังเขาปล่อยไปเป็นมนุษย์อากาศมันมันมันยากมากเลยควรจะไปถึงได้มีเรื่องเล่าหนึ่งค่ะมาฝากคุณผู้ออฟังนะคะเป็นเรื่องของการอันนี้อยู่พอพูดถึงนาซาเนี่ยก็เลยเออนึกขึ้นได้มันมีบทความหนึ่งที่ได้มีคนคนเอ่อเป็นใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาชานักเขียนนักเขียนคนนึ่งที่เขาไปเจอคนถูพื้นที่นาซาค่ะ จำได้ไหมอ่าคนถืออยูแล้วนะคนถูกพื้นที่นาซาพอฟังแล้วเนี่ยถือเป็นอะไรที่แรงดันใจคุณคุณแม้อ่าที่เหมือนกับว่าเขาไปเขาเจอคนถูกพื้นที่นาซาเสร็จแล้วเขาถามว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ถูกพื้นนะเขาก็เดินเดินอยู่ว่าอ่ะคุณทําอะไรที่นาซาเขาบอกว่าผมกําลังส่งคนขึ้นไปไปดูดวงจันทร์อ่าเป็นเรื่องของพี่ี่เดียวฟังแล้วรู้สึกยังไงสมมติถ้าพี่เดียวป็นคนถามถ้าเกเป็นคนถามเลยวอึ้งมากว่าโอ้ แสดงว่าเาภาคภูมิใจว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนี่อ่าส่วนหนึ่งเขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยฉันแค่มาถูกพืชมาเป็นคนทํำความสะอาดมาทําไปวันวันทำไปงั้นๆัอ่าแต่ก็มีบทบาทสําคัญใช่อยู่ในองค์กรใช่ที่ผลักดันให้คนเนี่ยไปยืนอยู่บนดวงจันทร์ ท, ทั้งที่ไม่มีใครเชื่อเลยว่าเอ๊ยมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้จริงๆหรืออ่าใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องราวเล็ก ๆ, น, ๆน้อยๆที่ที่ เอามาฝากการเคยอ่านเจอในหนังสือนะคะแค่นั้นเป็นการเหมือนเห็นคุณค่าของตัวเองสมมุติเราเป็นเราเป็นอะไรดีเราเป็นพนัก ง, งานตัวเล็กๆของบริษัทรเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามวแจะพูดว่าเฮ้ยฉันก็เป็นได้แค่นี้แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากหรอก อ, อะไรเงี้ยความคิดของเรามันก็จะถูกกดอยู่แค่นั้นหมาต้อจะมีการปิดกรอบของมัน แคเอามาฝ่ายเฉยอันนี้คือนอกเรื่องไปเพราะว่าเร่ากลิ่นมาในเรื่องของนา sa เนาะเดี๋ยวยังไงจะลองหาข้อมูลแล้วมาเล่าให้คุณผู้ฟังอีกทีในเบรกหน้าก็ได้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงยังไงมันเหมือนจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนี่แหละแล้วเขาไปเดินเจอแล้วเขาก็ถูกใจกับคําพูดของคําตอบของพาลงผู้นั้นแล้วเขาก็ไลยเอามาแชร์กันขอติดไว้เบรกหน้าล้กันนะคะ ค, คุณอยู่เหมือนกนันสักครู่เนี่ย ลองฝ้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราพักกันก่อนดีไหมโอเคอเดี๋ยวไปหค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าฟังเบรกหน้านะสักครู่นะครับค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University RMUTT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์สวัสดีค่ะกลับมาต่อกันกับเบรกที่แล้วนะคะที่พูดกันไว้ในเรื่องขององค์การ n a ซ a นะคะคนั่นเองนะคะก็ ไฟได้ไปหาข้อมูลมาแล้วที่บอกว่ามีบทความดีๆคือเป็นบทความภาษาอังกฤษนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีนักเขียนท่านหนึ่งเคยเอามาเขียนในหนังสือทีเนี้ยหาไม่เจ อ, อตอนนี้ก็ติดคุณผู้ฟังไว้หาจนเจอแล้วนะคะก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1962นะคะนานมากแล้วในสมัยของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนรีนะคะเขาได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่องค์การนาซาเสร็จแล้วเขาก็ได้เจอ ผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งในระหว่างนั้ น, น John F. Kennedy เขาก็เป็นคนแบบอัธยาสัยตี f r i e n d l อยู่แล้ว mm hmm. เขาก็ทักทายคนนั้นมาแบบ Hi, I'm Jack Kennedy. What are you doing here? เขาถามผู้ชายคนนั้นเป็นว่าแบบทักทายว่าคุณทําอะไรที่นี่คุณมีหน้าที่ตําแหน่งอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งผู้ชายคนนั้น เ, นเขาก็ตอบกลับมาว่า uh, Hi, Mr. President. I'm helping put a man on the moon mm hmm. เขาบอกว่า เขาเนี่ยกำลังทำงานส่งคนไปดวงจันทร์ฟังประโยคนี้นะรู้สึกยังไงคะพี่เอลุกขนลุกคนลุกแม้ <Ừ. S 1> ซึ่งมาดูที่หลังแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเป็นแค่คืออันนี้ไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะคะเขาเป็นพันโลมมีหน้าที่รับผิดชอบทุพื้นปัดกวาดดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในนั้นแต่ว่าคำตอบของเขามันมันตอบประโยคสั้นๆนะพูดประมาองคมูลแล้วคือรู้สึกแบบเฮ้ยแบบ คือมันเป็นมันภาษาอังกฤษมันจะมีสำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมนะคะปัจจุบันเนี้ยในการสมัครงานต่างๆบอกเลยว่าสำคัญมาก mm hmm. ไฟจะมีเพื่อนเป็น HR หลายๆคนสมัยเนี้ยเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดมากมาย productive คีย์เวิร์ดที่มันเป็นคุณสมบัติ mm hmm. ที่คนปัจจุบันควรจะมีะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งเซลฟ์เอสติมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นมันแปลว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง mm hmm. อ่า ก็คืออย่างที่บอกนะคะคุณพาลงคนนี้เขาก็รู้สึกว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่บทบาทของเขาเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าเขาเคารพตัวเอง อ, ะอ่ะนับถือตัวเองอซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญแล้วก็เลยเอาบทความนี้มาแชร์ให้คุณผู้ฟังกันที่บอกว่าขนลุกเนี่ยที่ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับประโยคนี้มานานแล้วนะแต่ ว, ว่าพอได้ฟังนงฟาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย ก็ทํารู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูผื้นก็ตามเดี๋ยวเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองถึงจะไม่ได้เป็นนักบินโนว่าการไม่ได้ไปเหยียบดวงใจไม่ได้เ ป, เปอะไรแต่เออก็จริงนะเขาก็เป็นคนถ้าไม่มีเขาอ่ะนั่นแหะสิเฉกแมใช่ทุกอย่างมันคือฟันเฟืองมันคือใช่ส่วนผสมที่ว่ามันก็ต้องก้าวไปด้วยกันใช่ก็จะเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งเนาะ อยู่ที่เราว่าเรามองแบบไหนมากกว่าถ้าเรามองว่าแบบเอ้ยฉันเป็นแค่พันโรงฉันแค่มากกว่าปัดกวาดเช็ดถวูวันๆฉันก็มาทําแค่นั้นมันไม่มีการภูมิใจในตัวเองอะคะ่ะ ม, มันก็จะทําให้แต่ละวันของเราเนี่ยที่มาทํางานมันไม่มีประสิทธิภาพนะดังนั้นผู้ทุกฝั่งที่ฟังอยู่นะใครที่กําลังย่อท้อนิดเหนื่อยอลองนึกถึงเรื่องที่น้องฝ้ายเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เก็บไปเป็นพลังเนาะเก็บไปเป็นพลังบวก นิดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะคะคพยายามเคยมีคนบอกว่าในวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยพยายามหาเรื่องดีๆ จากวันนั้นให้ได้สักหน้นอยสักเครื่องหนึ่งก็อย่างดีก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีๆของวันนี้สำหรับทุกคนแล้วกันนะคะ<อ> <c oughs> เคือนุ๊กไพ่เขาไปเก็บเอาพลังจากที่ระยองมาไปพักผ่อนมา <c oughs> ก็จะได้พลังบวกเยอะไปนอนริมทะเลนะคะอ่านหนังสือเปิดเพลงเบาๆอะไรอย่างนี้ก็พักผ่อนมากเพราะว่า อ, อย่างพี่เดียวก็จะรู้กันเราทํางานกันมาหนักมากนี่พี่เดียวล่าสุดก็ไปหาพลังบดด้วยกันไปออกกำลังกายถูกไหมคะเห็นไหม มันก็ได้พลังบวกกลับมาออพอพี่เดียวกลับมาจากการคลิปนั้นพี่พี่เดียวกรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพัฒนาตัวเองอยากวิ่งอย่างแข็งแรงถูกไหมคะอ่า แ, ออแล้วไปเจอคนที่เขามีพลังเหมือนเหมือนตอนแรกเราจะไม่มีพลังอีกดีกว่าออแต่ไปอยู่ใกล้คนที่มีพลัง อ, อ่าใชอา่อยู่ใกล้คนที่มีพลังองเี้ยอยู่ใกล้น้งฝ้ายน้งฝ้ายพลังทํามสุขว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ให้ดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วมาแลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนี่สิ อันนี้เรื่องอันตรายที่มาเตือนคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะครับใครที่ชื่นชอบในการแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์พิสดารนคือยาดองอะไรเงี้ยออืเราเคยเห็นบ้างไหมพวกยาดองแบบตามพื้นที่ต่างจังหวัดฝาแดงๆใช่ไหมคะจะเป็นโหลแล้วก็มีฝาเหมือนเป็นหม้อๆเนาะต้มมาแล้วก็มีอะไรข้างในมีสารพัดเลยอะที่เขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรเป็นยาอืทีนี้เนี่ยมันมีข่าวเกิดขึ้นเนาะพี่เดียวมาเล่าให้ฟัง เป็นส่วนผสมของคางคกเออยาดองสูตรคางคกโอ้โหเป็นข่าวมาเมื่อไม่กี่วันนีเองค่ะว่าคางคกมันมีพิษอยู่แล้วนี่เ่ใช่ๆคือกินแล้วตายเป็นสูตรยาดองมรณะทีนี้เนี่ยมีรายละเอียดให้เล่าให้ฟังเหมือนกันใช่ไหมครประเด็นเนี่ยอย่างงี้ก่อนนะคุณผู้ฟังฮะไอเรื่องของคางคกเนี่ยแพทย์เขาก็เตือนอยู่แล้วว่ามันมีพิษนะ มันมีต่อะไรของมันที่เวลามันกัดหมาแมวนะแมวมะแมวหมาหน้าบวมมีขั้นช็อกก็มีนะคะที่บ้านเคยเจอไหมเคยเจอหมาแล้วมันไปกัดเล่นกับคางคกอะเนาะหน้าบวมตุ๋ยออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยตลกมากคือคือสงสารแหละแต่ว่าแอบขำก่อนอะก็คือเขาบอกวคางคกมันมีพิษอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวมันน่ยอย่าไปจับ อ่ามันจะมีพิษที่ออกมาจากรูกคุมขนตุ่มๆของมันมมทีนี้เอามากินเอามากินไงมีคนคนนึงเนี่ยใช้สูตรคือยาดองผสมกับขางคบโโแล้วก็ไปทดลองขายให้หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยคนขายนี่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะนะแต่ว่าเพิ่งไปอยู่หลังจากนั้นก็คือว่าเอาไปขายให้กับคนที่พอรู้จักบ้างขายให้ผู้หญิงคนหนึ่ง สัตยี่สิบโหลบอกเอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่สามีเขาอยากลองไงกินไปกี่กักูห้าหกกั๊กสิบกักอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วครับไม่ได้ให้ให้กินแค่คนเดียวนะเป็นสิบสิบคนพอโหสิบเอ็ดคนแนาวสิบเอ็ดคนปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลอาการแบบมันหนักมากแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสามคนค น, นี้ มีคำถามถามว่าตกลงแล้วเนี่ยตายเพราะว่าสาเหตุจากการกินยาดองสูดรคางคกหรือไม่ เ, เพราะาล่าสุดแล้วเนี่ยทางด้านของคนขายครับมันหนีไปแล้วเนน้องฝ้ายตํารวจ<อ>ตามจับอยู่แ<อ>สีชีวิตไปสามนะคะแล้ว<อ>ที่เหลือเนี่ยอีกเท่าไหร่อะแปดคนนะคะ<อ>ก็รักษาตัวอยู่ก็อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับใช่ตํารวจตามจับอยู่นะฮะยังไม่เจอนะครับแล้ว เออพอมีการตรวจสอบเชิงลึกแล้วเนี่ยเพราะมีข้อสงสัยอยู่ว่ามันเกี่ยวกับคางคกไห ม, มซึ่งสื่อเองก็าพยายามพิจารางานนะครับว่าเคยมีข่าวคนไปย่างคางคกแล้วมากินแล้วก็ตายา อ, อาการเขาจะแบบว่าทำไมไม่กินอะไรกันเด็กอย่างอื่นนะ่ากบไกินไหมเราเคยกินกบไหมไม่เคยค่ะไม่เคยกบเนี่ยกินได้เหี้ยนี่กินได้เคยกินมาแล้วอแต่คางคกนั้นเป็นข้อห้ามเลยว่ามันมีตอมพิดอยู่ น, ยนะฮะ ใครทำไม่เป็นแล้วเราไปทำย่างดูเอาไปต้มดูนี่คือเหมือนกับปักเป้าอ่ะเขากินเยอะไหมคะคนนี้ทีเดียวกินไปประมาณสัก5้ากัก บ, บางขาบกอกสกักอ๋อแต่เนี่ยอันนี้คือในบทสัมภาษณ์นะคะภรรยาเขาก็ไม่ให้ข้อมูล <c oughs> เขาบอกว่าเขาคือดื่มมาทีละหากักแต่ว่า <c oughs> เขาดื่มมาเรื่อยๆซึ <c oughs> ่งไม่เรื่อไม่รู้ว่ากี่วันนะ <c oughs> แล้วคือหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มยืนไม่ได้ละ <c oughs> เราเวลาหยิบของอะไรสมมติหยิบ ของเนี่ยของก็หล่นคือมือมัอมนกำไม่กำรรอะ่ะมือมันกำไม่ได้แล้วก็หลังๆเนี่ยตอนกลางดึกนะเขาก็จะตื่นขึ้นมาเขาบอกเขานอนไม่ได้คขร้อนมากร้อนร้อนร้อนอแล้วก็มาอาบน้ำเอาน้ราราดหัวแบบยังใส่เสื้อผ้าอยู่เนี่ยคื อ, ขอเขาบอกว่ามันมันร้อนมาจากข้างในอะค่ะเออ คือเคยกินเหล้าปกตินะแอลกอฮอล์ทั่วไปที่เราดื่มกันเนี่ยเบี้ยอะไรเงี้ยเวลาเมามันก็จะร้อนอยู่แล้วนะ อ, อันนี้พวกจ้าดองพวกเหล้าที่มันแรงมากๆครับเหล้าขาวเงี้ยอ่ะที่เคยกินตอนรับน้องเนาะ <c oughs> เคยเล่าให้ฟังออนั้นก็ร้อนมากนะออแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการตรวจสอบมาเนาะฟายหมอนี่บอกว่าสาเหตุการตายไม่ได้เกิดจากขังขลุกนะหมอนี่บอกว่าเป็นเพราะสารในร่างกายเนี่ยไปพบเจอเมทิลแอลกอฮอล เมทิลแอลกอฮอล์คืออะไรคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจมันก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในในทางอุตสาหกรรมแต่ว่าถ้าเกิดแอลกอฮอล์เท่าไปรคือเอทิลแอลกอฮอล์ใช่ไหมที่เนี่ยเพื่อทำยังไงขายให้ได้ราคาสูงเพื่อต้นทุนมันต่ำลงลดต้นทุนลงค่ะพวกค้าหัวสายเหล่านี้ก็เลยเอาเมทิลมาผสมกับเอทิลไปเจือจางเมทิลคืออารมณ์เหมือนแอลกอฮอล์ที่เอาไปล้างแผลอย่างเงี้ยใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ควรดื่ม รับประทานใช่อพอมผสมกันปุ๊บอา้าวมันก็เริ่มทาปฏิกิริยากันล ะ, ะบวกกับเอาค้างคบอีกงใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอีกมากมายเนะี่ยหมอเนี่ยบอกเลยนะว่าเกิดจากที่คุณมีเมที่วิตกอห์เข้าไปในร่างกายอืทำให้เสียชีวิตแต่ที่ผู้หญิงไม่ใช่ว่าถ้างคบทานได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องระวังเหมือนกัน <laughs> คือเอาจริงๆเซฟเซฟก็ไปทานอะไรที่มันที่มันปลอดภัยดีกว่าเนาะหมูหมากราไก่เรามีเยอะแยะไม่หมาไม่เอาเพระะไม่ใช่นะผไก่ไก่ได้หมูได้อ่าแล้วก็พวกสัตว์ป่าอย่างนี้อาหารทะเลเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันผิดกฎหมายใช่ไหมูอะไรงูสิงเงี้ยไม่ได้ค่เขาก็ผิดกฎหมายแล้ว สตราแพทย์ก็บอกว่าใครที่ไปนิยมพวกสัตว์ป่านะคุณลองคิดดูดินะว่ามันไปย่ำอะไรมาบ้างมันอยู่ในป่าอ๋อแบบเออสุกสกกระกอะไรใช่ไหมคะแล้วมีค่านิยมกันแบบนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่ผิดผิดไงแล้วก็เอามาเตือนกันโอเคได้แต่ทีนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ดีกว่าที่บางทีมันก็เป็นที่นิยมอ่ะคนอาจจะถาว่าเราดื่มแค่ไหนถึงจะพอดีได้ใช่มมันมีมันมีก็เอาเอามาฝ่าละกันเผื่อสาหรับ เข้าใจไงนะไสก็เข้าใจเพราะว่าวมันมีสังคมที่ต้องเข้า <laughs> ใช่แม้บางทีมันก็เป็นเครื่องดื่มในการเข้าสังคมเพิ่มความสนุกสนาน mm hmm. แต่ว่าดื่มได้ค่ะแต่ว่าดื่มอย่างพอดี mm hmm. มันเนี้ยมันมีการเขาเรียกว่าซนกก็คือการดื่มแบบมาตรฐานดื่มยังไงเพื่อเอาพอสนุกเนาะเอาพออรรถเขาเรียกอรรถ mm hmm. ก็คือการเดิการดื่มที่ไม่ทำให้เกิดโทษและภาะวะอันตรายต่อร่างกายนะคะ เรื่องดื่มเนี่ยที่ควรจะมีแอลกอฮอล์ปริมาณแค่10กรัมแล้วแล้วก็ร่างกายเนี่ยสามารถขับออกได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะเรามีตัวอย่างมาให้นะคะอย่างเช่นพวกวิสกี้เนี่ยหรือว่าเหล้าแดงๆน ะ, ะปริมาณแค่2ฝาใหญ่น้อยไปไหมพี่เดียว2ฝาใหญ่2ฝาใหญอ่อันนี้ถือว่าสแตนด์นาร์ดสแตนดาร์ดดริงค์ะนะค ะ, ะแล้วก็ถ้าเป็นเหล้าขาว40เปอร์เซ็นต์่ดีกรีที่เราบอกเนี่ยปริมาณแค่2สมเปกพอ เบกหนึ่งนี้เท่าไหร่เบกนึงเบกนึงคือฝาถูกไหมคะแก้วเล็กๆใช่ไหมอันนั้นเรียกว่าเบกแต่ถ้ากั๊กคือขวดที่เป็นขวดกระทิงแดงอนนเรียกว่ากั๊กแต่ขวดใหญ่ขวดแบบขวดเหล้าเนี่ยคือกลมหนูเซียนมไมหนื่มอยู่ท้องกานบ้านมาเดีันข้อมูลมานะส่วนเบียนะคะก็ปริมาณแค่หนึ่งถึงสองกระป๋องก็พอนะคะ แล้วก็วายนะคะประมาณหนึ่งแก้วกำลังดีอันนี้เขาบอกว่าการดื่มวายก่อนนอนสักหนึ่งแก้วเนี่ยจะทำให้ช่วยหลับได้สนิทมากขึ้นแล้วก็ตัวสารที่อยู่ในวายเนี่ยจะไปช่วยบำรุงร่างกายด้วยอันนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเหล้าปั่นเนี่ยก็ปริมาแค่สองช็อตก็พออันนี้คือเป็นมาตรฐานในการดื่มอย่างปลอดภัยไม่เป็นไม่เป็นโทษแน่นอนนะคะนี่คือทาแล้วปลอดภยัยอ่า แต่ไม่ใช่บอกว่าให้ผู้ชมผู้ฟังอะไรไเป็นรับประทานเนี่ยใชแบบนี้นะสมมติถ้ามันใช่เรียกไม่ได้จริงๆก็เลือกที่จะดื่มเลือกที่จะทานละกันเนี่ยอย่างอันนี้คือเห็นแก่ของถูกไงเหล้ามันถูกอะไรต่างๆมีการมีการสารปนเปื้อนมาทําให้เนี่ยถึงชีวิตได้เลยนะคะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ละกันคคืออย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราดื่มเหล้าไปแล้ว มากกว่าที่น้องไฟบอกถึงเป็นสแตนดาร์ดใช่ปะใช่โอกาสที่เป็นแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นอพอมันแตกที่ห้ากิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เราเจอตํารวจโดนแล้วโดนเป่าอะคุกเลยคุกเลยไอคุกคุกคุกคุกอย่างนี้เลยนะคะคุกเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุอีกประกันก็ไม่จ่ายนะประกัไม่จ่ายเพราะว่าถือว่าคุณทําตัวเองใช่ฮะมันมีกฎหมายตรงนี้ออกมา นานแล้วพอสมควรนะฮะแต่เมื่อไรคุณดื่มไปมากกว่าสามร้อเนี่ยแล้วพุ่งไป4ี่ร้อยโอกาสตายสูงมากนะฮะก็เลย ม, มาเตือนกันนะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรามาปิดท้ายกันดีกว่าโอเคก็เรื่องจิมชอบใช้เฟสสองอ่าเริ่มไปแล้วนะคะเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันนะคะว่าในรอบเฟสสองเนี่ยเนี่ยคุณผู้ฟัง ประชาชนเนี่ยเราจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างนะคะเขาบอกว่าเพิ่มคนลงทะเบียน3ล้านคนนะคะเป็นเปลี่ยนใหม่ละนาบเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น6นาฬิกาตอนเช้านะคะถึง18นาฬิกาในตอนเย็นนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับผู้ลงทะเบียน10ล้านคนแรกนะคะคือได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน 1,000 บาทและหากผู้ลงทะเบียนเนี่ยเติมเงินในแอปพลิเคชัน เพื่อใช้จ่ายนะคะจะได้แคชแบ็ k กลับคืนนะคะ 15% ของยอดเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคนค่ะส่วนสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือจะมีหากมีการใช้เงินเนี่ย 30,000 บาทถึง 50,000 บาทจะได้แคชแบ็ k คืนถึง 20% ค่ะเฟสแรกเราลงทะเบียนไปยังไม่ทำยังเลยไม่นเลยเฟสสองนี่ก็ วันที่ยีบสี่นี้ก็ผ่านมาแล้วใช่ <Shop S 2> ไหมช็อปอย่างเดียวเลยอะ <laughs> ไม่ได้แคชพงแคชแบ็ก <laughs> คือนี่วันนี้ก็เนาะ <laughs> ไปใ <laughs> ส่เทคโนโลยีมา <laughs> ใช่หรือว่ามาใช้งานนอะอ่าก็สก็เนี่ยแหละโดนชงชงมาแถวนี้ <laughs> วันนี้ก็คือหมดตัวแล้วนะคะฮ <laughs> ะก็ทีช็ชอปชัยครับต้องเหนือจากเฟสแรกที่มีคนลงทะเบียนไปเยอะแล้วเนี่ยคือไปซื้อข้ามของการใช่ไหมเฟสสดูเรื่องของการท่องเที่ยวอกันต่อไปว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถที่จะ ก็ปสมัครได้มาก้ลยขนาดไหนเน่ว่าอย่างที่งค์ไฝบอกแล้วว่าไม่ต้องไปรอหลังเที่ยงคืนรอเสียงสารที่สามารถสมัครได้แช่จะมีปัญหานั้นอยู่ไหมคือคนที่ลงทะเบียนเนี่ยต้องสแกนใบหน้าจะผ่านตลกมากเลยที่มีคนเอามาแชร์กันใช่ไหมคะที่เอาทํายังไงให้หน้าเหมือนในบัตรประชาชนมากที่สุดอะไอย่างเงี้ยก็ตลกดีฮะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวฝากเลยเนีเปิดเปิดว้าพให้หน่อยเผื่อไปติดตามในไอจีองค์ไฝได้ค่ะ ีเต็มไปหมดเลยก็ก็จะมีอัปเดตในการเรื่องของอท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็เลยจะเอาหนังสือเนี้ยมารีวิวให้ให้ผู้ที่ติดตามเนียได้ได้ดูกันว่าเอ้หนังสือเล่มนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็ติดตามกันได้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเป็นอ f ฟ i c i a l นะคะก็เป็นอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่นะคะ f a i y underscore นะคะ l u c k S, S A N A นะคะ underscore ลักษณะนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะให้กำลังใจกันได้ค่ะว้าวไปตามกันนะฮะวันนี้ทั้งหมดเวลาแล้วเนาะนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันโอเคค่ะจะกันใหม่นะคะวันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University